ฟังล้วนวนรู้สึกล้วนวนการรู้สึกตัวล้วนนเป็นการปฏิบัติธรรมชั้นเลิศคงเคยได้ยินเรื่องพาหิยะทารุจีริยะพระพุทธเจ้าสอนพาหิยะว่าเมื่อเห็นสักแต่เห็นนี้แหละคือความหมายของคำว่าล้วนนก็เห็นล้วนนเท่านั้นเองได้ยินล้วนรู้สึกได้ล้วนนความคิดนั้นเป็นการวิจารณ์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 ตามปกติชีวิตของเรามักถดถอยเรากลัวเรารังเลเราวันไวไม่แน่ใจในทุกสิ่งพอสมาธิเกิดจากการเคลื่อนไหวเช่นนี้เราจะเรียนรู้เอาภารณไมัยในการดารงชีวิตอยู่ในการนั่งเราจะรู้สึกถึงพารณมัยของการนั่งมีความภาคภูมิไม่ใช่ภูมิใจว่าเราได้ดิบได้ดีอะไร คือนั่งเต็มภูมิของมันเวลายืนเราก็ยือนอย่างเต็มภาคภูมิชีวิตด้อยค่าไปเพราะว่าเราคิดเปรียบเทียบวมตกถึงอนาคตมากเกินไปเราไม่เป็นตัวของเราเองดังนั้นเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกตัวได้ดีเราจะค้นพบว่าเรามีความสง่ายอยู่ในตัวเองจะนั่งหรือเดิน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 ถ้าคุณคุ้นกับการตื่นตอนเช้าตื่นขึ้นมาจะรู้สึกสบายไม่มีช่วงไหนเลยที่สบายเท่าตอนใกล้รุง่งถ้าเราไม่มีจิตใจที่หมักหมมกับเรื่องราวต่างๆเริ่มต้นให้จบสิ้นเราจะกระสินใครคนหนึ่งว่าคนนี้เคยเป็นคนเร็วและเขาต้องยังเร็วตลอดไปไม่ได้เพราะว่า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 ฟืนได้สลายรูปเป็นไฟไฟเปล่งเป็นแสงแสงเป็นผลิตผลบ้านปลายมองอีกแง่หนึ่งแสงนั้นซ่อนอยู่ในฟืนแล้วก็สลายรูปของฟืนให้กลายเป็นไฟไฟให้กลายเป็นแสงดังนั้นแสงเป็นต้นตอสุดท้ายจุดเริ่มต้นกับจุดจบเป็นอันเดียวกันเรารู้ตัวในปัจจุบันนี้ เรากำลังเจาะไปสู่ประตูที่จะออกไปสู่ความจบสิ้นและจุดจบสิ้นก็คือจุดเริ่มต้นนั่นเองดังนั้นผมจึงแนะให้รู้ตัวรู้สึกตัวจับความรู้สึกตัวล้ว น, วนความรู้สึกตัวล้วนๆหมายถึงความบริสุทธินั่นเองเช่นยกมือไม่มีกิเลสไม่มีตัณหา ไม่มีความกลัวไม่มีความอยากฟังดูเป็นเรื่องตื้นแต่ลึกเรื่องตื้นก็คือเรื่องลึกถ้าเรื่องไหนลึกๆึกเรื่องนั้นมักไม่ได้ความเมื่อวันที่เจ้าชายสิทธัตถะไปนั่งใต้ต้นโพตอนหัวคำ่ำท่านยังคิดถึงภรรยาของท่านคิดถึงพ่อคิดถึงลูก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 ดังนั้นเมื่อเราเดินจงกรมแสดงว่าเรากําลังทำตามพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าลุกขึ้นเคลื่อนไหวนั้นภายนอกท่านเดินเหมือนกับเจ้าชายสิท ธ, ธรรถถัตถาก็จริงแต่ท่านเดินโดยไม่มีกิเลส ต, ตัณหาไม่กลัวไม่ถูกบิบขั้นจากพวงเวลาเรียกว่าเดินล้วนล้วนเดินก็คือเดินเคลื่อนมือก็คือเคลื่อนมือ อย่าไปตีความตรงกันข้ามอิริยาบถที่พระพุทธเจ้าแสดงออกในทุกทางเช่นการประพิบพระเนตรของพระองค์ทอดสายตาดูผู้คนนั้นปราศจากกิเลสตัณหาปราศจากความกลัวความมีอคติอิริยาบถที่ปราศจากตัณหานั่นเองที่เรียกว่ามุทราคือเป็นท่าที่แน่วแน่ และปราศจากความผิดพลาดใดๆฉะนั้นเมื่อชาวพุทธทั่วโลกหันมาเจริญรอยตามพระพุทธเจ้าเราก็เดินจงกรมเราก็นั่งเราก็นอนเราก็ยืนวันหนึ่งพราหมณ์ถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันหนึ่งวันหนึ่งพระองค์ปฏิบัติธรรมชั้นสูงที่เรียกว่าโลกุตระอย่างไร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 ความรู้สึกที่แฝงเ้นอยู่ในตัวเองจะเริ่มถูกบริหารเปรียบเหมือนเราไปทะเลกลางคืนเดือนมืดเราเอามือตะกุยทรายที่ริมน้ำก็จะเกิดพายน้าเป็นประกายวบๆขึ้นมาฉันใดก็ฉันนั้นความรู้สึกแท้ๆสดๆนี้มีอยู่แล้วเปรียบเหมือนเราขุดบ่อขุดลงไปถึงน้ำ น้ำขุนเพราะมีตะกอนแต่เราไม่ต้องทำอะไรกับน้ำขุ่นไม่ต้องเดือดร้อนสั์มันออกไปน้ำจริงๆอยู่ข้างในน้ำใสจะออกมาในที่สุดบ่อน้ำขุ่นจะกลายเป็นบ่อน้ำใสเพราะน้ำเป็นน้ำหนึ่งเท่านั้นไม่ว่าจะอยู่ในจอกในถ้วยในบึงในหนองในน้ำค้าง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 เป็นความรู้สึกล้วนๆเราจะพบว่าตรงนี้เองเป็นความดีของชีวิตเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นฐานของสติปัญญาทั้งหมดจากความรู้สึกล้วนๆมีเศรษฐีคนหนึ่งนอนเจ็บป่วยอยู่20สิปีแล้วด้วยโรคอัมาพาตเคลื่อนไหวกระดิกกระเดียไม่ได้เช้าตรู่วันหนึ่ง นิ้ u ก้อยเกิดกระดิกขึ้นมาเขาย่อมดีใจมากๆใช่ไหมละ่ะความหวังมาแล้วการที่เรากระพริบตาได้นี่เป็นรางวัลของชีวิตแต่เราอยู่กับมันจนกระทั่งไม่รู้ค่าของมันการที่ทุกคนนั่งอยู่แล้วหัวตั้งบนบ่าได้ทุกวันนี้ก็เพราะมีสติตัวนี้อยู่สติตัวนี้เป็นอย่างนี้อยู่แล้วพอมันตื่นตัว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 ที่พวเราเบาบางลงดังนั้นขอให้ทำความเพียรให้ต่อเนื่องความหมายของคำว่าต่อเนื่องสำคัญนักพระพุทธเจ้าพร่ำเตือนคำนี้มากที่เรียกว่าวิรยิยลําภะคือประรบความเพียรทำให้ติดต่อกันทำบ่อยๆมากๆภาวิตาภาหุรีกตา แต่ทำเล่นๆ เ, เหมือนเราเอาไม้แห้งสองดุ้นมาถูให้เกิดไฟถ้าเราถูอยู่พอไฟใกล้จะเกิดกับหยุดเสียเราต้องเริ่มใหม่อีกดังนั้นไม่เกิดผลเลยหรือรู้ผลช้าผมเคยปฏิบัติมาสิบปีเศษแต่ไม่เข้าใจคำว่าต่อเนื่องไม่คิดว่าเป็นสิ่งสำคัญมากคำว่าต่อเนื่องหมายความว่าอย่างไร ต อ, อนกินข้าวก็ดูใจอยู่คุยกับผู้อื่นก็ประคองไว้ข้างในเรื่อยๆเลี้ยงเชื้อไฟของความรู้สึกตัวนี้เรื่อยๆบางทีเราคุยกับใครนี่เราหมดตัวเลยคุยกับเพื่อนก็ลืมไปทั้งหมดทั้งตัวเลยมีสิทเราควรจะเก็บไว้สัก6 7ส่วนสัมพันธ์กับข้างนอกสัก3ามสี่ส่วนเมื่อคราวที่หลวงพ่อ บ, บอกผมครั้งแรก